เมื่อสาวที่แล้วอ่านว่าถ้า 3 อย่างไม่มีอยู่ใน 3 เรื่อง พระองค์จึงตรัสต่อไปว่าผู้เชื่อฟังพระตถาคต อันไม่เป็นที่อยู่ของมารฉลาตต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใด พระองค์ตรัสว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีชัดแจ้งแล้วทั้งที่ เพื่อสัตว์ตถาคตปิดกั้นเสียแล้วหลายเข้าถึงทินอันเกษมกระแส พระสูตรพวกเนี้ยถ้าเราชอบเนี่ยเราท่องเป็นบทสวดมนต์ของเราได้เลยนะเป็น ตรงไหนที่มันไม่มีความตายพระองค์ฉลาดในที่นั้นก็คือมรรค ไม่ได้บังคับให้เชื่อนะได้บังคับให้เชื่อนะแต่ ทั้งที่ที่ม่านไปไม่ถึงคือที่ที่ความตายไปไม่ นะเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแสแห่งมารกระแสแห่งความตายนะม่านภูมิบาตตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัด หรือแปลอีกอย่างว่าคือการกระทําอย่างเป็นระบบนะถ้าบอกว่าเอ่อประพฤติปฏิบัติโยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี่คือทุกข์ เรื่องต่อไปนะทรงขนานนามพระ ท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพราหมณ์เอ่ย พรหมเอ่ยอาสวะเหล่าใดที่จะทําให้เราเป็นเทวดา <c oughs> <c oughs> ที่จะทําเป็นมนุษย์เพราะอย่างละมันไม่ได้เป็นคนทันไม่ให้มียักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อาสวะเหล่า น้ำไม่เปียกติดมันได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะพรามเราเกิดขึ้นในโลกเจริญในโลก <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จัดว่าทราบเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ <c oughs> เป็นราชาชื่อมารดาผู้ให้กําเนิดเราชื่อมายา 29 ปีมีปราสาทสูงสุด 3 หลังชื่อสุจันทกกกนุทะและโกยจะมีหญิงนารีผู้ชื่อยโสธรา ลูกเราชื่อราหุลเพราะได้เห็นนิมิตทั้ง 4 เราจึง 6 ปีเราได้ทําสิ่งที่ใคร เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อโคตมะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งและอุปติสสะอุปถากผู้ใกล้ชิดของเราชื่ออานนท์ภิกษุณีผู้เป็นชื่อเขมาและอุบลวรรณาอุบาสกผู้เป็นอัคร จิตตะและหัตถาลวกะอุบาสิกาผู้เป็นอัครชื่อนันทมาตาและอุตตราเราได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูง <c oughs> <c oughs> บางก็ว่าเป็นชื่อพื้นเมืองเดิมต้นไม้จะเป็นไม้ประเภทใดก็ตามหากมีพระพุทธเจ้าองค์ใด <c oughs> <c oughs> ใช้เป็นต้นตรัสรู้แล้วไม้ประเภทนั้นพลอยได้เกียรตินามใหม่ <c oughs> พระองค์ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายในภัทรกัปนี้ใน โดยโคตเป็นโคตมะโคตภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ประมาณอายุไขเราผู้ที่เป็นอยู่ ได้ตรัสรู้ณควงแห่งไม้อัสสัตถะเนี่ย 2 พระสูตรนี้ก็ ภิกษุทั้งหลาย 1250 รูปในสังฆะสนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้า พิษเป็นบิดาของเราหลายในบัดมายาเป็นผู้เป็นมารดา